บทส่งท้ายเตรียมสเสบียงไวเลี้ยงตัวเล่มปดจดหมายถึงดังตรินมักมีคนสงสัยว่าคำถามในจดหมายถึงดังตรินนั้นเป็นอย่างที่เห็นเมื่อผมนำมาตอบในเตรียมสเสบียงไวเลี้ยงตัวหรือไม่ผมตัดทอนหรือตกแต่งมากน้อยเพียงใดผมแต่งคำถามไหนขึ้นมาเองบ้างและอื่น บทสรงท้ายของเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มนี้จะขอยกตัวอย่างต้นฉบับคำถามของจริงมาให้ดูเล่นสักสองฉบับที่จะบอกคือส่วนใหญ่ก็จะมีขนาดความยาวเต็มหน้าทำนองนี้บางฉบับปาเข้าไปห้าหน้าบางฉบับปาเข้าไปสี่หน้าก็มีครับและจากภาพคงแทนคำบรรยายได้อย่างดีคงเห็นนะครับว่า ไม่มีทางที่ผมจะนาคำถามของแต่ละคนนํามาลงได้ทั้งหมดเพราะถ้าลงทั้งหมดก็คงไม่เหลือพื้นที่สำหรับตอบแล้วฉะนั้นจึงต้องตัดทอนข้อความส่วนใหญ่ออกเหลือไว้แต่แก่นของคำถามพอที่เจ้าของอ่านแล้วทราบว่านั่นเป็นคำถามของตนกับทั้งเมื่อผู้อื่นอ่านแล้วจะประเด็นถูกว่าโจทย์ต้องการคาตอบแบบใด นอกจากนั้นการคัดกรองจนเหลือแต่แก่นของคาถามยังสามารถนำไปปฏิบัติต่อกับแก่นคำถามของท่านอื่นที่มาแนวเดียวกันเพื่อจะได้ตอบเบ็ดเสร็จเหมารวมรวบยอดในคราวเดียวน้อยครั้งที่ผมจะซอยคำถามของผู้ถามท่านเดียวเพื่อแยกตอบให้หมดในหนึ่งตอนอีกประการหนึ่งตามความตั้งใจเดิมของผมไม่อยากให้มีคำถามซ้ำ ฉะนั้นหลายครั้งเมื่อเป็นประเด็นคำถามซ้ำก็จำใจต้องคัดออกบ้างเมื่อเล่าถึงเบื้องหลังการทำงานแล้วคราวนี้มาพูดเกี่ยวกับแง่คิดที่ผมได้รับจากการเขียนเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวบ้างหากคุณมีโอกาสอ่านจดหมายระบายความในใจของผู้คนบ่อยๆสิ่งหนึ่งที่คุณจะรู้สึกขึ้นมาเองคือมนุษย์เราประสบปัญหาที่คนอื่นประสบมาแล้ว มนุษย์เราสงสัยในสิ่งที่คนอื่นสงสัยมาแล้ววิธีเล่าเรื่องและวิธีสงสัยเรื่องของตนเองล้วนสะท้อนในเห็นเส้นทางกรรมวิบากที่แตกต่างกันได้ยิ่งกว่าแม่น้ำร้อยสายหลายครั้งก็เหลือเชื่อที่ผู้คนจำนวนหนึ่งประสบปัญหาเดียวกันราวกับเป็นคนเดียวกันถ้าไม่ใช่เพราะลายมือกับชื่อนามสกุล ตลอดจนตราประทับจังหวัดที่อยู่ที่แตกต่างกันผมคงหลงเข้าใจว่าเป็นคนเดียวกันอย่างแน่แท้ดังนั้นเมื่อหลายคนซึ่งอาจกําลังเผชิญกับปัญหาข้อเดียวกันได้มีโอกาสอ่านคำตอบจากเตรียมสเสบียงไวเลี่ยงตัวก็อาจเข้าใจว่าผมตอบปัญหาของพวกเขาเป็นส่วนตัวบางรายอาจจงวนสนเทว่าทาไมเพิ่งส่งจดหมายได้สองวัน แต่ผมกลับตอบอย่างปรับปรับฉับพลันให้ได้ในสัปดาห์นั้นเองอันที่จริงจะคิดอย่างไรก็ได้ครับคุณอาจกำลังอ่านคำถามตนเองที่มีผู้อื่นช่วยถามให้ก่อนหรือคำถามของคุณอาจเป็นสิ่งที่คนกำลังจะถามตามมาอีกนับร้อยนับพันครั้งการที่คนเราไม่เหมือนกันใช่จะแปลว่าคนเรามีปัญหาถี่แตกต่างกัน โดยพื้นฐานแล้วทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดคือไม่รู้ว่าอยู่ๆทำไมถึงต้องลืมตาขึ้นมาดูโลกและพบว่าตัวเองเป็นอย่างนี้ต้องเห็นต้องฟังต้องสัมผัสอะไรอย่างนี้คําถามที่ว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับเรามักทาความทุกข์สาหัสให้กับหลายคนและคําว่ากรรมวิบากคําว่าบุญบาป ก็ล้วนแล้วแต่คุ้นหูฟังและเหมือนอยู่ในหูของเรามาตลอดเทว่ายิ่งเพ่งแหล่งจ้องมองจริงจังก็จะยิ่งเกิดความรู้สึกว่าความคิดและความเชื่อตามๆกันมาไม่เคยทําให้เรารู้อะไรจริงๆเลยต่อเมื่อมองชีวิตตัวเองค่อยๆเห็นความเป็นตัวเองในฐานะผู้ถูกกระทําและค่อยๆตั้งสติทบทวน ก็จะเห็นความเป็นตัวเองในฐานะผู้กระทา ม, มาก่อนธรรมชาติของชีวิตมนุษย์มีเรื่องราวมีลำดับขั้นตอนตลอดจนมีเวลามากพอที่จะเป็นทั้งฝ่ายกระทาและฝ่ายถูกกระทาคุณทำกับคนอื่นไว้อย่างไรวันหนึ่งคุณจะได้รับผลในรูปแบบนั้นอาจคล้ายคลึงหรือเหมือนกันสนิท แค่หมั่นถามตัวเองง่ายๆว่าที่โดนอย่างวันนี้เมื่อวันก่อนเคยไปทําใครเข้าไว้หรือเปล่าวันต่อวันจะค่อยๆตาสว่างขึ้นเองค่อยๆเชื่อว่ากรรมวิบากเป็นเรื่องจริงไปเองพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องกรรมวิบากให้เข้าใจง่ายโดยตรัสถึงการใช้ชีวิตในกรอบของทานและศีลสองคสั้นๆแค่นี้ แต่เป็นชีวิตทั้งชีวิตต้องใช้ทั้งชีวิตทุ่มไปจึงจะเข้าใจเมื่อเข้าไปอยู่ในกรอบของทานและศีลเต็มตัวความรับรู้โลกจะต่างไปอย่างน้อยจะเห็นกว้างวางว่าใครหลุดจากกรอบของทานและศีลจะกลับเข้ากรอบยากตัดสินใจตรณีเราจะพอกผูนก้อนตรนีให้โตขึ้น ตัดสินใจฆ่าแล้วต้องเจอแรงบีบให้ฆ่าอีกตัดสินใจขโมยแล้วต้องเจอแรงบีบให้ขโมยอีกตัดสินใจผิดกรามแล้วต้องเจอแรงบีบให้ผิดกรามอีกตัดสินใจโกหกแล้วต้องเจอแรงบีบให้โกหกอีกตัดสินใจกินเหล้าแล้วต้องเจอแรงบีบให้เข้าสังคมขอเหล้าอีกนอกจากนี้ เมื่อคุณสบายใจไม่มีก้อนตรนีเป็นภาระหนักอกเมื่อคุณมีใจสะอาดไม่มีมวลทินแปดเปื้อนให้วาวุ่นกลุ้มใจคุณจะมองเห็นคนอื่นๆกำลังวิ่งขาวขวิดเพื่อชดใช้ความหลงผิดคุณจะเริ่มเข้ามาในขอบเขตของเหตุการณ์ทางจิตด้วยการรู้เท่าทันว่าหากทำทานได้แต่ไม่ทำหากรักษาศีลได้แต่ไม่รักษา จะต้องเป็นทุกข์หรืออย่างน้อยมีความคับแคบอึดอัดในทางใดทางหนึ่งทันทีสำหรับคนบางคนอาจได้คำตอบก่อนที่จะตั้งคำถามเสอีกเพราะรูปแบบชีวิตที่บำเพ็ญมาแต่ไหนแต่ไรเอื้อให้ได้อยู่ในกรอบของทานและศีลมาช้านานในขณะที่คนส่วนใหญ่ยุโยงกันเองหรือเฝ้าตอกย้ำกับตนเอง ว่าจงตรหนีเถิดจงผิดศีลเถิดเสร็จแล้วก็งุนงงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันทำไมชีวิตฉันต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้ตอนคุณเริ่มซุ่มสังเกตชีวิตตัวเองไม่มีคนรอบข้างรู้หรอกครับว่าคุณกำลังทำอะไรต่อเมื่อชีวิตคุณเปลี่ยนไปแล้วสว่างแจ้งขึ้นแล้วถึงเวลานั้น คนรอบข้างค่อยประหลาดใจแล้วถามคุณว่าไปทำอะไรมาไปเข้าโรงผลิตจิตใสแต่ไหนเหรอ ห, หน้าตาและสง่าราศีถึงได้เบ่งบานปานชนนี้เมื่ออยู่บนเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นในความรู้จริงแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณอยู่ไม่ไกลจากเสียงทักถามของคนรอบข้างเท่าไหรหรอกครับ จบเสียงอ่านเตรียมสเสบียงไวเลี้ยงตัวเล่มแปดงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโชโชขอบคุณคุณตองพี่ที่อนุญาตให้นำเสียงบรรเลงเป็นโนมาประกอบขอบคุณคุณรุ่งทิพดวงพยาบทที่ส่งต้นฉบับมาให้อัดอ่านเสียงขออนุโมทนาทุกท่านเวนะที่นี้ด้วยนะครับ